ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหร่การบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้นําเรื่องอุทยาศุทธ์คือสูตรที่ส่งแสดงเรื่องการบูชาหยาดมากล่าวในชนิดพระสูตรมีต่อกันอยู่สองสูตรสูตรโตไปเรียกว่าอุทยาสุตร ก็เป็นการพูดเรื่องยันเชเดียวกันยานนั้นเป็นความเชื่อถือที่มีการปฏิบัติกันมาในยุคสมัยของพระพุทธเจา้า mm hmm. โดยพื้นฐานความคิดเห็น mm hmm. ก็มุ่งที่จะบูชาสิ่งที่คารพสักกร์สสิ่งที่สูงสุด เพื่อตัวเองเป็นที่โปรดปรานของสิ่งเหล่านั้นเพื่อสิ่งเหล่านั้นประสิทธิ์ประสานสิ่งที่ดีงามให้แก่ตนแล้วก็มีพิธิกรรมต่างๆเกิดขึ้นเป็นนั้นมากคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันเมืองสาวัตถีมีพระามท่านหนึ่งชื่ออุเชยะกราม มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าส่งปฏิเสธยันหรือว่าส่งย ก, กย่องยันพระเจ้ารับสั่งว่าโรงไม่ไม่ถือแนวใดแนวหนึ่งแล้วก็ส่งแสดงลักษณะของยันว่ายันอะไรก็ตามที่มันมีการฆ่า ก, กันเบียดเบียนการมาทุสลายมาก มีการสูญเสียชีวิตมีการทำลายชีวิตเหน็ดเหนื่อยกันมากมีการตัดเตียบมากพุ่นไปหลวงไม่สรรเสริญยันในลักษณะนั้นแต่ยันเหล่าใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือกูลตั้งแต่ตนเองและแกะ่บุคคลอื่นหลวงก็สรรเสริญยันในลักษณะนั้น ในสุดก็ส่งยกยันต์ซึ่งเขาเชื่อถือกันในสมัยนั้นว่าเป็นมหายันต์เพาว่ามเป็นการบูชาที่มีผลยิ่งใหญ่มากท้าทั้งหลายคงเคยได้ยินอัโวเมตที่เราเรียนในเรื่องรามเกียรตินะตอนปล่อยมาาอุปการนะให้นุมานตามกับกองทัพของพระมงกุฎ ปะเด็นว่าในแนวตรงนี้ก็คือแนวความมชื่อถือของยุคสมัยนั้นปล่อยม้าประการให้เดินไปผ่านบ้านเมืองใดก็ตามแต่หากว่าบ้านเมืองนั้นเ็าต่อต้านขัดขวางเนี่ยก็จะจับมาหรือฆ่ามากองทัพที่ตามไปก็จะยกเข้าไปปีบ้านเมืองนั้นแล้วก็รีบเข้าของเงินทองก็้มาเป็นเมืองขึ้น แต่ถ้าบ้านบ้านเมืองได้ปล่อยให้ผ่านก็ถูกยึดเหมือนกันเป็นเมืองขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ถูกข้าฟันจนเกิดความร่มตายคือสรุปว่าฝ่ายที่ปล่อยมานี่มันได้ประโยชน์ทั้งสองทางแหละคือยอมเขาเขาก็ได้ไม่ยอมเขาเขาก็ได้ยิ่งแต่ว่าไม่ยอมนะ่าออกแรงกันมากหน่อยแต่คนที่ปล่อยมาจริงๆก็ต้องเชื่อ วาเชื่อในกำลังกองทัพเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าใครขาดขืนก็ใช้กองทัพปราบกรามได้และบทเสร็จพิธีกรรมการปล่อยเม้าประการแล้วพยนามาเหล่านั้นมาฆ่าทำพิธีบูชายันก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์น ที่สำคัญอย่างยิ่งก็ถือว่ามาก็ได้บุตรด้วยนะฮะมาก็ได้บุตด้วยและตัวเองก็ได้บุตรด้วยตอนที่เคยไปอินเดียคงยจะยินท่าทัศน์อัสวเมศในความทําพิธีใหญ่ถึงสิบครั้งข้าม้าเป็นการใหญ่ถึงสิบครั้งได้เกิดไปเชื่อกันจนถึงว่าจะทําให้คนทําวิธีเหล่านั้นเกิดสวรรค์คือ คือไปอยู่สวรรค์ทั้งๆั้งเป็นก็มีนะฮะหมายความว่าไม่ใช่ไม่ใช่หลังตายคือตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ได้ทันทีมายานเหล่านั้นประการแรกก็คืออศาวอศวะอศเมทะคือการฆ่ามาบุชาหยันโดยในยติกล่าวแล้วนะฮะเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในการล่านา น, านิคม ถึงแต่เรามองโครงสร้างตรงนี้โดยเนื้อหารตรงนี้เระเห็นว่าแนวปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้กันอยู่แปลว่าใช้แนวไหนแต่ละเด่นยนานศาสนาในตอนหลังที่เกิดขึ้นอยู่มียุทศาสนาหนึ่งที่ใช้กองทัพนำการเผยแพร่หรือแม้แต่ศาสนาพิธยุคลางมันก็ใช้แนวนั้นมากามส่งบาทหลวงเข้าไปก่อน ถาบารุงเผยแพร่ไม่รับการต่อต้านขัดขวางจากประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นก็ไม่ว่าอะไรก็เผยแพร่ได้ไปเรื่อยๆหรือแรกใครมีต่อต้านขัดขวางกองทัพก็ยกขอ้อติเห็นไหมมันก็พิธีอโศเมตรหรือแม้แต่ว่าศาสนาบางศาสนาก็าใช้กองทัพนําจํานวนนักเลงโตนะพูด ง, ง่ายๆว่าจนวนักเลงโตใครยมค่ายอดฆ่ารอดใครขวางฆ่าตาย ก็คือสำนวนพิธีการของอโศเมษคือการฆ่ามา้ามนุษย์ก็นำเรื่อง่านี้มาใช้เพื่อเป็นเรย่อของตัวเองมาเรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนพิธีการแต่ว่าเนื้อหานั้นยังเหมือนเดิมรูปรูปแบบก็แนวเดิมแต่ว่าใช้อะไรใช้อะไรเท่านั้นเอ ง, งการฆ่าม้าบิชาญาณก็คือเมื่อเสร็จพิธีไปตีบ้านตีเมืองเขา ผมตายกันเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ออกมามาข่าคนที่ทำพิธีนั้นก็คือพวกพรามพวกพรามจะได้ประโยชน์ทั้งหมดจากการทำพิธีกรรมเหล่านั้นประการต่อไปเรียกว่าปุริสามธทะอันนี้แรงนะฮะฆ่าคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฉลยศึกหรือบางทีก็มีพิธีที่ขรังๆที่เชื่อถือกันขรังๆศักดิ์สิทธิ์ แต่จริงพบประเพณีแนวนี้แม้ในเมืองจีนนี่ก็มเีเคยอ่านพบนานมาแล้วในหนังสือเรื่องปอบุนจินเนี่ยคือพบพ่ามีการฆ่าการฆ่าคนแต่ไม่ใช่ฆ่าโดยตรงนะฮะคือนำคนไปชิ้งในแม่น้ำเพื่อส่งไปบูชาเทพเจ้าประจำสมุทรมีการคัดเลือกหญิงพรหมจารีส่งไป ถึงหมายความวาคนที่ทำพิธีกรรมส่วนนี้จะได้ประโยชน์เยอะใครให้สินบนก็ไม่ต้องจับใครที่ไม่ไม่ยอมให้สินบนก็จะถูกจับคนไปปล่อยไปไ ป, ไปทิ้งในมาสวดแล้วเคยพบในชาดกนะฮะชาดกก็แสดงไปเหตุ ก, การ์โบราณมาก็มีการทำในแนวนี้คือฆ่าคนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็ลักษณะ มุ่งจะขจัดความทุกข์ของตัวเองแล้วต้องการจะปลนปลือบำรุงบำเรอเพื่อเป็นที่พอใจของสิ่งสูงสุดที่คนเหานั้นเคารพก็นำคนมาฆ่าฆ่าคนบูชายัญการต่อไปนั้นเรียกว่าสมมาปาสะมีการโยนบ่วงทำเป็นบ่วงแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศ วงตกในที่ใดก็ตั้งโรงทําพิธีในที่นั้นแล้วก็นําสัตว์มาตอกหมุดในแถวแถวนั้นแล้วค่าสัตว์คือโยนบ่วงไปเรื่อยๆเจนว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลอาศัยความเชื่อความเขาของคนเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ก็ทําให้พวกกลุ่มที่ที่ทําวิธีบูชาญาณเนี่ยได้ ได้ตั้งขึ้นทั้งล่องไงนะฮะได้ผลประโยชน์ทัขึ้นทั้งนอกแต่คนที่ไม่เข้าร่วมพิธีก็มักจะถูกข่มขู่มันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อะไรแต่ไรเนี่ยฮะถ้าไม่เข้าร่วมพิธีกรรมเราดันทุกท่านทั้งหลายอาจเห็นว่าเวลาเนี้ยเราก็มีเรื่องแต่ถ้าเราลองสังเกตด้ดีมันก็แนวบุชาัญเนี่ยปรากฏอยู่ในสังคมแม้แต่ในวงการาศาสนาเราเอง บางทีก็ต้องไปขู่เขานะฮะจะจัดกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าใครไม่ร่วมแล้วจะถูกแจ้งถูกตกนร ก, ก, กถูกอะไรต่ได้เนี่ยนะฮะแล้วคือแนวอย่างเงี้ยแนวบูชายัญแนวบูชายั์ที่พวกกลุ่มฉลาดแกมโกงใช้เป็นเครื่องมือคุมคู่หลอกลวงแสวงหาประโยชน์จากชาวบ้านนะทีนี้ถ้าคนยังยอมหวาดก ล, วกลัวเรื่องเหล่านี้ าอมสยกกับเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือหากินได้เร็ยๆก็ต่อไปเรียกว่าชเปอรยะเป็นพิธีที่ฆ่าสัตว์คือสัตว์นึงจะถูกฆ่าทั้งหมดทุกๆพิธีแล้วก็มีการดื่มดื่มน้ำาสมดื่มเหล้ากันสนุกสนานเป็นพิธีใกล้ๆกันนั า, ข, า, ข, าขัดแต่เลท ถึงื่อท่านไปที่ประเทศอินเดียคงจะเคยเจอนะฮะพิธีวันฮลลี่จะมีพิธีเล่นดืม่มเมาเ่าศาสรดสีกันนะใครออกจากบ้านวันนั้นก็บ่มแมมกลับมาสมัยพุทธเจ้าเรออกพาลนักขัดนะความวานนักขัดตะเลือกของคนพาล น, นะฮะคนพานจะมีการประพฤติกันคนดีๆก็ต้องหลบเข้าบ้านเนี่ยนะ อยู่ที่บ้านออกแกบบ้านไม่ได้มันมีลักษณะแนวเดียวกันแต่ว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพวกกลุ่มปรชานันได้กลุ่มผลประโยชน์ประการสุดท้ายนี่แรงก็เรียกสัพพเมธาคือฆ่าหมดฆ่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นหมายันขนาดใหญ่ แต่ใใคจัดอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายกวาดล้างหมดเมื่อก็แนวตรงนี้ถ้าถ้า ถ, ถ้าเรามองว่าโครงสร้างตรงนี้มันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยเนื้อหาเช่นในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราสมัยกรุงศรีอยุธยาใน417ปีนี่มีการฆ่าในแนวนี้อยู่ตั้งหลายครั้งอย่งน้อยก็ส5ห้าครั้งเจ็ดครั้งไงนะฮะประมาณเจ็ครั้งกัน หากันเองจากเจ้าเป็นไพร่จากไพรเป็นเจ้าก็คือแนวฆ่าขัดขวางขาจัดอุปสรรคทั้งหลายอย่างประเทศจีนที่เขาล้างก็เป็นแส้ๆอันนี้ก็คือแนวขจัดอุปสรรคเป็นแนวที่สะสมบาปแนวเพิ่มบาปเพิ่มอันตรายต่างๆขันญันประเภทนี้พระเจ้าทรงปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงแสดงประวัติศาสตร์ ของยันเหล่านี้ไว้ในประสูนยอื่นนะครับไม่ใช่ในประศูนย์รงเล่าไว้ที่จริงยันเหล่านี้เดิมทีเดียวมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้หรอกมาเกิดตีความขยายความให้แปลกออกไปให้แปลกออกไปจากเดิมหนึ่งตั้งยุคสมัยบรรพชนของพระพุทธเจ้าคือยุคสมัยพระเจ้าโอกระกาการรัต แล้วก็ทาให้มีการสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นการเบียดเบียนทำลายล้างมาเพราะในยุคสมัยรูปได้เจ้าจึงเปลี่ยนเรื่องล่านี้หมดก็เรียกนำมาปฏิรูปใช้คำเท่าเดิมนะคำในคำเดิมเอามาใช้เบิดเดิมแต่เปลี่ยนเนื้อหาคำว่าอัศเมธะหรือสัตสเมธะ สัสะนี่เราแปลว่าม้าก็ได้นะครับแปลว่าข้าวกล้าก็ได้เมทะนันเมธีนะะเมธีนะฮะเมทะเมธีคือฉลาดก็ได้นะฆ่าก็ได้เห็นไหมบางการตีความเมื่อ ว, นอวนันระหวันสื่เนะฮะไปอ่านเรื่องธมยันตีครับธมยันตีเดี๋ยวเขาตีความอธิบายคําว่าธมยันตีมันมาจากไหน บางคนตีความมามาจากนาทาาคือธาทาาในการให้บางคนตีความเป็นธรรมธาต่มาในความฝึกแล้วก็มีที่ไปที่มานะมีการอ้างแล้วก็เป็นไปได้ทั้งสองมิติแล้วก็แปลไปในทางที่ดีหมายความว่าเป็นผู้ฝึกตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะต่จริงแล้วในเรื่องเนี่ยแปลว่าผู้หญิงที่ข่มขัว แล้วก็มายมาความว่าคํามันยังมีคําหนึ่งซึ่งเวลาเขียนแล้วเนี่ยพยญานามันเหมือนกันเด็ดธาตุคือภาษาบาลีเนี่ยเขจะมีธาตุกับมันเพราะธาตุมันธาตุอะไรธาตุคือคําเดิมจริงๆนี่มาจากอะไรแล้วก็เรียนบาลีเนี่ยเขาจะเรียนสาวไปถึงตัวธาตุมันตัวรากมันนะฮะตัวรากมันแปลว่าให้ก็ได้แปลว่าฝึกก็ได้แปลว่าคมก็ได้เห็นไหมธรรมะใน ในครวาัตธรรมนะฮะธรธรมะที่แปลว่าการข่มใจห้ามใจที่จริงแปลว่าฝึกก็ได้นะะทีนี้ข่มมันก็ข่มอะไรล่ะข่มใจตัวเองก็ได้ข่มกระดื่ก็ได้ก็แล้วแต่มันก็ออกว่าไปอีเพี้ยวหนึ่งนั้นก็คือก็คือการการตรีความสิ่งตัวเนี้ยคงทำนองเดียวก็ตีความสอปรกอรณนะ์นะนะก็แล้วแต่ใครจะตีความแล้วก็มั่วๆกันอยู่ ังนั้นคำเหล่านี้พอมาถึงยุคพระพุทธเจ้าพระพุทธกติความให้อธิบายทรงอันทาธิบายเสียใหม่ว่าสัเสมทะคือการข้ามาเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ข่ามาแต่ว่าเป็นการฉลาดในงานอาชีพคือฉลาดในงานเกษตรกรรมยุคนั้นเป็นยุคเกษตรกรรมก็ทรงสั่งสอนในแนวเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางเกษตรกรรม ในคนมีความฉลาดในการผิดในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะฮะว่าจะทำยังไงเพราะเราจึงจึงจึงพบคมสอนในแนวนี้ยงเป็ น, นมากนี่ก็คือแนวที่ส่งนามาปาฏิรูปปรับปรุงมาแก้ไขเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นและในกรณีที่ราษฎรไม่มีความรู้ความเข้าใจก็ทรงสอนในรูปของราชสังขา ในความทางบ้านเมืองเนี่ยจะต้องเข้าส่งเสริมสนับสนุนแนะนําอาชีพไปแก่ราษฎรสนับสนุนอาชีพไปแก่ราษฎรในความราษฎรพวกนี้มีฐานะนะฮะมีฐานะที่จะทํามีที่ดินมีที่ดินในการประกอบการเกษตรกรรมแต่ขาดความรู้ขาดประสบการณ์ขาดทุนในการประกอบงานเกษตรกรรมทางรัฐเองก็เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ให้สนับสนุนในด้านต่างๆ ก็ถือว่าเป็นธรรมะของของผู้ปกครองบ้านเมืองนะของของพระราชาที่ว่าเรียกในตอนหลังเรียกว่าราชสังหะราชสังหะคือทมเป็นเครื่องสมเคราะห์เป็นเครื่องมือในการสงเคราะห์ประชาชนของพระเจ้าแผ่นดิษฐ์ดังรเดิเดิมดเดิมดีๆ ม, มาเป็นเป็นยันมาเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงในด้านการตีความนะในด้านดงการตีความมาประการที่สองปุริสเมทะ บริษัทก็คือคนนะ่ยนะบริษัทก็คือคนเมต้าก็คือฉลาดจักรลาดในการส่งเสริมสนุกสนับสนุนคนการใช้คนการเลือกคนแนะม้แต่เลือกตั้งสภ า, าผู้แทนราษฎรนะก็ต้องมีบริษัทเมตะคือฉลาดในการเลือกคนการวางคนมอบมาให้คนทํางานตามสมควรกัฐานะตําแหน่งหน้าที่นะความรู้ความสบายของเขา คือคนเรานั้นมีความสามารถในส่วนตัวเขาถ้าวางเขาไว้ถูกเขาก็สแสดงความสามารถได้นะแต่าวางไว้ผิดมันก็สแสดงความสามารถไม่ได้แต่การมองนั้นมันต้องมองต้องมองทั้งระบบนะฮะต้องมองเห็นทั้งระบบไม่ใช่มองลักษณะสับสนหรือไปตัดตอนเราเวลา น, นี้ลองสังเกตว่าเรามองขัดแย้งกันเองอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อวันกอ่อน ล้างน้าเก่าทิ้งหมดหมายความมาไม่เลือกผู้แทนเก่าเลือกคนสะบักใหม่เลยไม่รู้เอาใครมาทํางานเนี่นะในขณะเดียวกันเราต้องการคนมีความรู้มีความประสบการณ์มีความชานิชํานาญคือแต่ละสายนั้นมันคนต้องมีประสบการณ์นะมันไม่ใช่ว่านิ่งๆเปิดปุ๊บติดปั๊บเอามันต้องมีประสบการณ์สะสมประสบการณ์ความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นมันยวต้องมีการศึกษาคนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ดูคนที่ คนเนี้ยมีความเหมาะสมในฐานะอะไรยกย่องสันเสริญสนับสนุนมอบหมายภารกิจการงานใ็เขาทำหรฉลาดในการเลือกคนฉลาดในการใช้คนก็เป็นราจภาระอย่างหนึ่งของพระชาชาประการที่สามสัมมาปาสที่เป็นบ่วงนะฮะเป็นบวงเนียเป็นบวงก็ส่งสอนในแนวของสังคมุขเคร คื อ, อยังนึกยังนึกอยู่ยยว่าคุณเจ้าสอนมาสองพันกว่าปีแล้วนะสอง0สองพหรกว่าปแีแต่ว่าปัจจุบันก็เรียกว่ายุคโลกร้ายพรมแดนนะยุคโคกาดพิวัติอะไรต่างๆแล้วก็จงยังไม่พันตรงนี้เลยนะยังไม่ถึงตรงนี้เลย เราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่เขามีอยู่แล้วมีที่ดินทํากินไรอยู่แล้วหุ่นยักษ์ให้เพิ่มความรู้ให้เขาเพิ่มความรู้เพิ่มสนับสนุนเขาในด้านการตลาดในวิธีการต่างก็สรุปว่าให้ความรู้สนับสนุนแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนกลุ่มนี้ก็ใช้เป็นบ่วงที่คลรองใจคนในการสงเคราะห์คน บางทีก็มีการงดเว้นเรื่องภาษีหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนในด้านทุนที่อยู่ทํากินให้แก่ประชาชนเนี่ยเป็นบ่วงคลองเจ็ดยนเป็นงานสังคมสงเคราะห์แต่ไม่ใช่สงเคราะห์ในรูปขาดเพราะถ้าสงเคราะห์ในรูปขาดมันเป็นการสร้างคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาให้แบมือขอมันเป็นปัญหาสังคมต่อไปนะคล้ายๆกับพระราชบัญญัติประกันสังคมเราจะเห็นว่ามีความเป็นดาบสังคมตัตวดูแลค ล, ค ล, คล้ายๆดีนะแต่มันจะไปส่งเสริมคนดีขี้เกียจ นะอย่างอเมริกาอังกฤษวินิคนประเภทนี้เยอะเลยมายอมธรรมาให้กินอะไรนะก็เบิรเงินประกันสังคมแล้วก็เชี่ยวสนุกสนานไปมันเป็นภา ร, ระมหาศาลแน่นนะเราบอกใกล้ๆดีมันก็ดีแตมบามุมหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเป็นการสร้างคนขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งให้อรัถเราเปรียบสังคมตัวเองไม่ต้องทำงานนะฮะก็กินภาษีประกันสังคมได้ เ, เงินก็ให้ประสมทัวร์นะอย่างอเมริกาเคยสอบถามพวกลาวพวกพวกพวกเขมรก็ได้เยอะประสมควรและที่จริงอยู่ได้นะฮะอยู่ได้สบายทีเดียวถ้าอย่ารหรูหรามั่วฟ้ามากเกินไปนะไม่ต้องทำงานอะไรแนละ้วถึงเดือนก็เบิกเลยบางคนได้ตั้งพันสองอดอล น, นั้นฮะตั้งสอง0้ดอลล่าลองนึกดูครเท่าไหร่ <c oughs> มันก็อยู่สบายเา น, เนั้นไอ้นี่แนวสัมมาปาสสะที่จริงก็คือแนวสัมมาปาสสะ ในเป็นการสร้างบวกขึ้นมาครองใจคนลูกพันคนเอาไว้เพราะฉะนันของพระพุทธเจ้าไม่ไม่สรงสอนในแนวปล่อยลอยไปเลยแต่หมายความว่ารัฐนั้นดำเนินการลงทุนให้ระยะหนึ่งเป็นมีระยะปลอดหนี้อยู่ช่วงหนึ่งพอรัศดรเริ่มตั้งตัวได้ตั้งหลักฐานได้ก็ส่งคืนให้แก่รัฐรัฐก็นำเงินนั้นแหละมาสงสงเคราะห์ประชาชนต่อไป ก็เป็นการให้ความเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมแก่สังคมสำนวนที่ญี่ปุ่นเขาพูดกประโยคเด่นมันก่อนะมีนักปราชญ์ญี่ปุ่นพูดว่าใครทํางานคนนั้นเขากินหมายความว่าผลทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดมาจากเหตุถ้าเธอไม่มีเหตุเธอไม่ควรจะมีผลเธอไม่ควรจะได้รับ แต่ว่าจะสร้างเหตุระดับใดนะก็มีการปฏริประนอมมีการประทานประโยชน์การมีระยะปลอดหนี้พอสมควรกี่ ป, ปี6ปี7ปีก็แล้วแต่ลักษณะของอาชีพแล ต, ต้องต้องคืนนะคิดเปอร์เซ็นต์คืนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนาะกี่ปีจึงเสร็จก็ต้องว่ากันไปแต่ไม่ใช่ให้ขาดไม่ใช่ลักษณะให้ขาดถ้าให้ขาดแล้วเนี่ยถ้าเมืองไทยลองให้ขาดอย่างนั้นสบายนะครับรองเลยประเดี๋ยวพวกก็ ไม่ต้องทํางานทําการนะฮะไปเสตางตั้งว ง, งเล่นไพ่กินเหล้าแล้วก็นกแนเรามองได้นะะแนวนี้คนสร้างตนเองเนี่ยฮะได้ท่านหลายเคยไปสังเกติคนสร้างตัวเองเนี่ยมาศึกษ า, ามากมากมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะไปตั้งวงเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นหวยกันอยู่ในแวดวงตรงนั้นเพราะงั้นจึงจึ ง, จ, งจึงไม่สามารถก้าวหน้าได้เพราะอะไรเพราะว่า มันสบายไปเกินไปโรงพยาบาตรงเคาะก็เข้าไปดูแลอยู่ส่วนมากเราเราไม่ค่อยมองประเด็นนี้นะฮะเราไม่ค่อยมองประเด็ดนนี้คือมองไปช่วยคนจนคนจนเราต้องมองว่าคนจนในบางทีแกขี้เกียจแกเล่นการพนันแกดื่มเหล้าแกติดสิ่งเสพติดนั่นคือเกลียดผลานทรัพแล้วช่วยเมื่อไหรจะจบล่ะมันต้องพูดกันตรงนี้ด้วยนะฮะพูดกันตรงนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหลบพูดกันหมดไม่มีใครกล้าพูดประเด็นนี้มันต้องพูด ต้องพูดไม่ใช่คนจนเป็นอภิสิทธิ์ที่คนรวยทั้งหลายต้องเข้าไปช่วยตลอดโดยไม่มองความบกพรองของคนเราดนันด้วยเราก็แก้ปัญหานี้ได้ละมันต้องแก้ปัญหามันมันมันต้องแก้ที่ตัวคนให้ได้ด้วยคนแนวของพระเจ้าจึงให้ความรู้นี่มีทุกจุดโดยเฉพาเมต t h เมต t h เมต t h เห็นไหมเมต t าทั้งหมดเลยต้องฉลาดต้องให้ความฉลาดแก่คนทุกกลุก่มใช้คำว่าเมต t h หมดทุกจุดเพื่อให้เกิด คนดีงามแกบุคคลนั้นเรียกว่าช่วยคนให้ตั้งตัวเองได้ตามหลักของอัตติอัตโนนาโธนะฮะเราจะเห็นว่ามุ่งไปสู่การช่วยตัวเองเป็นเป็นเป้าแต่ในตอนต้นๆก็เราเลี้ยงดูลูกนั่นแหละเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนเราก็ช่วยเธอไปก่อนจนกว่าเธอจะช่วยตัวเองได้และการต่อไปนั้นคือเรียกว่าชาเปยะยาชาเปยะเปย์ยาก็คือดื่มนะฮะวัตถิิงดื่ม เป็นการดื่มน้ำคำเป็นงานของการทําความเข้าใจกั น, นการชี้แจงพูดในปฏิวันคืองานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ซึ่งมีหรือาการสะท้อนความจริงนะที่จริงประชาสัมพันธ์ก็สูตรในการประชาสัมพันธ์ก็คือความเห็นคือความเห็นข่าวก็คือข่าวแต่มาลองสังเกตว่าที่จริงงานตัวนี้ไม่ใช่ถามได้ไง่าย ลองฟังข่าวมาเปิดวิทยุแช่ไว้ทั้งวันเนี่ยมีอยู่เครื่องเนี่นะฮะอยู่ไม่อยู่ก็เปิดไว้ยังงั้น น, นะนะฮะนั่งอ่านหนะังสือทํางานไปตรงไหนหน่าสนใจก็ฟังกันตรงไหนไม่น่าสนใจก็ปล่อยผ่านไปตอนก็รายงานข่าวเรื่องผู้แทนที่สมาครคำเรื่องตั้งเราเห็นได้ชัดบแล้วก็ลำเอียงพักที่เขาชอบเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดเบอร์บอกชื่อคนบอกนามสกุลเสร็จ แถมพันนาสรรพคุณนิดเียหน่อยแต่คนอื่นเบอร์นั้นเบอร์นั้นเบ น, นั้นนะะพรรคเดีเขาไม่ชอบเขจะบอกเฉพาะเลขแต่นั้นเองชื่อคนก็ไม่บอกมันไม่ใช่ลักษณะประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ลักษณะประชาสัมพันธ์แต่ลักษณะเป็นเครื่องมือของกลุ่มพวกตัวเองเพราะการประชาสัมพันธ์คือการสะท้อนความจริงบอกกล่าวชี้แจงความจริงให้เกิดชาัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการดื่มนฮะ การดื่มหมายความสิ่งที่ดื่มนั้นจะต้องไม่เป็นประโยชน์แก่ต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้ดื่มมันไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนที่ให้ดื่มเห็นไหมฮะเราให้อะไรเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เขาแต่การประชาธมพันธแนวนั้นมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้ดื่มประชาธิปันตัวเองประชาธิปันพวกตัวเองมันก็ผิดหลักสูตรของการดื่มการให้ดื่มนะฮะผิดหลักสูตรของการให้ดื่มสมัยก่อนก็ดื่มน้ําส้งนะฮะของพระพุทธเจ้าก็มาดื่มน้ํำขม ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเมตตาจิตในการในการพูดในการชี้แจงในการทําการประชาสัมพันธ์ที่จริงไม่ค่อยง่ายนะฮะไม่ค่อยง่ายเพราะว่าคนในมันเอียงด้ว ย, ด, วยด้วยอคติอยู่เนี้ยมีอคติอยู่เนี่ยเราจะเอียงด้วยอำนาจตรงนี้ไม่ได้พูดยากนะฮะอคติมันก็มีอยู่ด้วย ประการต่อไปก็เรียกว่าสัพพเมธาสัพพเมทนันเดิมทีเดียวอย่างที่บอกว่าข้าหมดทำลายอุปสรรคอันตรา ย, ายาทั้งหลายทั้งปวงพรเจ้าทรงสอนในรูปของการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายโดยวิธีการสี่ข้อข้างบนรเราเห็นว่ามันมีคนนั้นมีคน กับมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยคนก็คืออะไรก็คือชีวิตกับทรัพย์สินท่านลองสังเกตเราสี่ข้อนะี่คือชีวิตกับทรัพย์สินทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวทรัพย์สินที่จะเกื้อกูลแก่คนอื่นนะคนที่เพื่อสวัสดีแก่ตัวเองและที่เพื่อจะให้เกิดความสวัสดีแก่ บ, บุคคลอื่นเมื่อ ว, วันซืกนี่มีอาจารย์ทางเป็นคณะบดีทางนิติศาสตร์ก็มาคุยกัน น, นะครับ ก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไม่รู้จักกันนะนะฮะแล้วท่านคอยสมาใช้เขียนหนังสือเรื่องประชาธิปไตยโดยมีนัยยะให้มันนัยยะเดียวนะะ บ, บอกให้มีฐานในที่ความกระตันอยู่ขอมาหลายปีนะฮะแต่ยังไม่ได้ทำให้นะตอนนี้ได้ยินข่าวเรื่องประชาธิปไตยมากก็เออมันน่าจะต้องทําให้ท่านทันทีแล้วไม่ยช่ท่านสั่งมาเฉยๆนะท่านส่งเงินมาให้ด้วยหมื่นบาท เดีนี้เงินก็ยังอยู่ในในในบัญชีนะยังยังไม่ได้ทําทีนี้เราเราก็มองประชาธิปไต ย, ยมันมั่วๆแ ม, มนกรอบมันอยู่ที่ไหนเมื่อคืนก็ลองศึกษาดูมาจากผูกสารานุกรมอะไรต่ไรเนี่ยว่าไอ้กรอบมันมันอยู่อย่างงี้ก็ปรากฏว่าตีความไม่ค่อยเข้ากันเท่าไรเลยก็บอกอาจารย์เขาเป็นนักเป็นนัก วิชาการทางด้านนี้นะฮะบอกว่าคือจะเขียนไปแล้วให้อาจารย์ช่วตรวจให้ให้คณะบดีท่านนี้ผมช่วยช่วยตรวจให้พ่ามันมันกรอบกรอบมันกินหมดหรือเปล่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้คาว่าประชาธิปไตยอ่ะครับพอแล้วแต่ประชาธิปไตยของใครลาวกับประชาธิปไตยจีนกัประชาธิปไตยโซเวียตกับประชาธิปไตยไมรูปหมายความเป็นยังไงคือกรอบพออยู่ตัวไหนก็อยากได้โดูกรอบให้ ท่านก็อาสาที่จะช่วยช่วยให้นะฮะช่วยช่วยดูให้ก็นึกว่าก็น่าจะหาโอากาสทํเพราะมองเป็นความคิดของผู้ใหญ่นะะผู้ใหญ่ตอนนี้ท่านพระบังท่า น, ท, านท่านตายไปแล้ว น, นะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้ข่าวว่าตายไปแล้ท่า น, นมองอยู่ที่ฐานกันตันยู ว, ว่าประชาธิปไตยจะเดินอยู่ได้นะ่าต้องมีฐานในที่กตันยู แล้วเราจะมองเห็นว่าความเชื่อมโยงกันทั้งหมดว่ามันมีอุปการะปฏิการะกันอยู่ทีนี้ถ้าคนขาดความสำนึกกระตัญยูเนี่ยมันเป็นไม่ได้การใช้อำนาจทั้งสามอำนาจเองมันก็ไปตามประชาธิปไตยไม่ได้เพราะมันมันกลายเป็นตัวอุปสรรคคือการขาดความสำนึกคุณที่จริงคมนะคมก็ให้นายาเขียนเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นโน้ตมาแล้วก็ธานานัรเงินมา เอามาก็ไม่ไม่รู้จักท่านแต่ก็คงจะเคยได้ยินชื่อทางดูทางโทรทัศน์อ่านหรือพิมพ์นะฮะเป็นยศชื่อแล้วก็ส่งมาให้เลยเมื่อคืนก็วางวางโครงสร้างไปแล้วโครงสร้างจะจะทำไปยังไงจะเดินยังไงลองดูเพราะแนวแนวตรงนี้ท่านเห็นว่าพทธเจ้ามามากับว่าเป็นการขาจัดสิ่งที่อุปสรรค ซึ่เราจะเห็นว่าอย่างอย่างบ้านเมืองเราก็มีอุปรสรรคอุปสรรคมันมีเยอะแต่ไม่ใช่ว่าทําได้ ท, ทันทีทันใะดนะฮะมันมีเงื่อนไขมีตัวแปรถ้าถ้าเรามองเวลานี้พวกผู้แทน ท, ที่ออกมาพูดนะฮะพูดเหมือนกับมีฤทธิ์นะฮะพูดมันก็เป่าพรวดแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็ะตาให้นึกถึงว่าการพูดในแนวนี้เราจะหลงไหลายได้ปลื้มไปดูมองให้เห็นทางระบบของมัน หลายปีมาแล้วนะฮะถ้าท่านไหนอ่านเหมือนข่าวเล็กๆแต่มาว่าคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของราชนจาจักรลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมานั่นนะฮะอุทานขึ้นมาไปปลายเสนอ ร, รัฐบาลทำอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างนีน้ถ้าทำตามนั้นในเงินเป็นแสนแสนล้านเลยจึงต้องใช้ไปนะฮะจึงจะทําได้เนี่ยแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านลุก ข, ขึ้นมาตอบตอบประโยคสั้นๆนี่ย ท่านบอกเห็นด้วยทั้งหมดที่ท่านสมาชิกผู้บีเกียรติอภิปรายมาแต่ปัญหาว่าจะเงินจากผีที่ไหนมาทําแล้วลงนั่งเฉยลงนั่งเฉยโอ้มันหือฮามากเลยนะคือเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเป็นการละเลงขนมเบื้องด้วยปากเป็นการมองแก้ปัญหาจราจรการขยายงานการขยายไปสู่ชนบดขยายอะไรไปได้เอาเงินมาจากไหน มันนิ่งๆมันใช่ไปได้ว่ากรุงเทพมันก็สร้างมาสองร้อยกว่าปีแล้วนะเงินทุบไปตรงนี้จะกี่กี่โกดแล้วไม่รู้นิ่งๆจะขยายอยู่ต่างจังหวัดได้ยังไงมันก็ค่อยๆเติบโตไปตามธรรมดาแต่ว่าปัญหาวัจราจรเวลานี้แก้อย่างไงมันแก้อย่างไงมันไม่ได้พูดไกลขนาดนั้นไอ้ไกลขนาดนั้นมันโครงการร้อยปีมันไม่ใช่วันของวันทําได้ที่ไหนหรอกต้องมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยราก็ปลื้ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือก็คือ สิ่งนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนี่เองแต่คําว่าอุปสรรคในที่นี้ได้เน้นไปจนถึงวาเมื่อเราทําได้ตรงนี้เราแก้ปัญหาสี่ข้อนี้ได้แล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันภายในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันโดยโดยสบายไม่มีภัยไม่มีเบรเพราะคนเรามีสวัสดิการมีสวัสดิภาพนะแล้วก็คนดีเข้ามาควบคุมดูแลให้เกิดสวัสดิการสวัสดิภาพเหล่านั้นขึ้นมา ก็เป็นสวัสดิภาพในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวนะการติดต่อสื่อสารการก็ใช่ปราชญ์ที่ดีถึงใช้คำสี่คำนะนะเจนใช้คำสี่คำนะั่นะมันก็บ้านเรือนเนี่ยคนจะอยู่กันโดยไม่ต้องใส่ก่อนประตูเพราะงั้นแปลว่าไม่มีริมสลักไม่ต้องใส่ริมสลักก่อนประตูก็ได้ก็มาพามาอยู่กันได้เพราะฉะั้นเราจะเห็นว่ายันในสองแนวนี้ไม่สรรเสริญประเทศแรก แล้วก็ใช้คำท่าเดิมนะ่าเดิมคำเหมือนเดิมหมดแต่ก็นำมาอธิบายในยะใหม่เป็นการปฏริรูปความเชื่อถือคตินิยมที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นนะแทนที่จะไปยึดติดอยู่ตรงนั้นเกิดมีการตีความแต่การตีความเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมว่าต้องเกิดประโยชน์นะต้องเกิดต้องต้องเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมนะ แก่ประเทศชาติประชาชนทุกจุดหมายความมาคนกระจายกันได้ประโยชน์แต่ว่าแนวยันเดิมท่านต่างหลายจิตว่าแนวยันเดิมนั้นที่จริงมันก็ได้ประโยชน์แต่บางคือกลุ่มผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมในการบูชายัญก็ได้ประโยชน์หมดนะนฮะก็ได้ประโยชน์หมด เ, เป็นความยิ่งใหญ่สามารถที่จะลุยบอลลังเลือดมานั่งบอลลังเลือดได้แนวลานานิคมหรือ ว, วิธีทัะอสอเมธเนี่อสอเมธนะฮะการทํำลายล้างกัดในสังคมที่จริงมันไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์ แต่มันได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มกันได้เฉพาะประโยชน์เฉพาะกลุ่มจึงไม่ใช่ตัวยันเพราะยันตนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ครือกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายก็แนวทั้งผู้ให้และผู้รับสนถวิลทั้งผู้ให้และผู้รับต้องได้ประโยชน์ ar. ตรงนี้มันมันมันมั น, ม น, มนได้ประโยชน์เฉพาะผู้รับแนวเดิมนะฮะเราเห็นว่าทุกข้อเนี่ยแนวเดิมเนี่ยผู้ทําวิธีบูชา ย, ยันต์จะได้ประโยชน์ ar. มันไม่ใช่ได้มไม่ได้ประโยชน์หรอกแต่คนอื่นจะสูญเสียประโยชน์ เป็นการโอรัดโอเปรียบกันในสังคมเพราะแนวตรงเนี้พระพุทธเจ้าจึงมาสรนเสริญยันอีกวิธีหนึ่งตามในใ น, ในอุทยสูตรคือสูตรต่อไปนะฮะสูตรต่อไปก็ส่งสรรเสริญยันไม่ได้ไหมหมายความว่าสังคมมันก็มีจารีตประเพณีต่างๆที่สืบต่อกันมาว่าสิ่งต่างๆมันไม่ใช่เลวร้ายทั้งหมดหรอก มันไม่มีไรเลวร้ายทั้งหมดเพียงแต่ว่าคนแต่ละยุคนั้นต้องมีการเลือกเฟ้นไม่ใช่รับทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดต้องมีการเลือกเฟ้นเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาของปัญญาใช้การวิเคราะห์การตรวจสอบการมองสิ่งเหล่านั้นทำอะไรทํำยังไงทําไปเพื่ออะไรทำไปแล้วได้ประโยชน์ยังไงเราได้ประโยชน์ยังไงเขาได้ประโยชน์ยังไง ประโยชน์ในปัจจุบันเป็นงไงประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าจะสอนประโยชน์ที่ต่อเนื่องกันไปเราะว่าแนวทานแนวศีลแนวอะไรทั้งหมดที่ทรงสอนเนี่ยเป็นแนวที่ประโยชน์ต่อเนื่องนะแล้วได้ประโยชน์แก่บุคคลทุกฝ่ายแล้วประโยชน์นั้นมันเกิดต่อเนื่องเป็นพัฒนาการทางจิตสําหรับผู้กระทำทั้งผู้รับเพราะงั้นแนวสมมติการให้ทานเราจะเห็นว่ามันก็มีทั้งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือผู้รับก็ได้ประโยชน์ ผู้ให้เองก็ได้ประโยชน์ผู้รับได้ประโยชน์ในรูปของวัตถุทางก็ได้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นรูปขวัตถุผู้ให้เองก็ได้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นพัฒนาการทางจิตเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตแล้วคนเหล่านั้นเองผู้รับเองก็เกิดจิตสานึกยังเขาไข้เปราะการยอมรับนักถือศรัทธาตัวเองประพฤติดี๋ยผิดชอบก็พยายามรักษาตัวเองให้ประพฤติดีผิดชอบมากยิ่งขึ้น แล้วก็พร้อมที่จะให้แก่บุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นแนวการให้แนวทารให้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ให้ด้วยกันคือสอนในรูปของกิริยาปฏิกริยาไม่ได้กะเกณไม่ได้กะเกณว่าให้ทําเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะที่จริงการคือกลูลกันโดยวัตถุมันก็คนบางทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยมีกานขาดแย้งถึงคราวหนึ่งจําเป็นจําเป็นที่จะต้องมีการเกื้อกูลกัน แต่ทีนี้ใครมีความสามารถในจุดใดก็ให้เรื่อกูลในจุดนั้นวันทรงเฉพาะในประศุทนี้ทรงยกย่องยันในสองสามิธีเลยกันยันหนึ่งก็คืออนุญัตหมายความว่าสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันในสายสกุลวงศ์ของบุคคลเา่าเป็นจารีเป็นประเพณีเป็นแบบแผนที่บรรพชนท่านสร้างสมมาอาบรมมาเป็นจุดยึดเหนี่ยวในทางจิตใจ ของบุคคลนะเราจะเห็นว่าอย่างเทศการต่างๆของเรานะฮะวันจุดวันศาสตร์วันสงการเนี่ยคือเราไม่ได้มองเฉพาะตรงนั้นนะครับบรรพชนไม่ได้มองเฉพาะตรงนั้นแต่ว่ามองว่าทํำยังไงวงสาคานายาตเนี่ยวงสาคานายาจะมาพบกันเพราะมีจุดร่วมกันมีปู่ย่าตายายเป็นหลักเป็นแก่เนี่ยตรงนั้นแล้วลูกหลานมาพบกันเด็กๆมันจะได้รู้จักกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นญาติวงสาคณนายาต องวานว่านเครือเนื้อหน่อเนี่ยฮะปงเผ่าหลอกกอต่างหลายเนี่ยจะได้มาพบกันความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันคนเหล่านี้ต้องไปพบปะกันในที่ต่างๆก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเมื่อเมื่อรู้จักว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่ว่าพี่น้องมาค่ากันแล้วรู้ทีหลังเมื่ออฝ่ายหนึ่งตายแล้วหรือบัดเจ็บไปแล้วโดวยเห็นว่าสังคมปัจจุบันนั้นเราถอนไป เ, อเยอะเลยตัวเนี้ยต่างคนต่างทำเวลาปัจจุ เวลานี้ก็มีการเน้นสืบสารวัฒนธรรมนะฮะเรจาจะนั้นก็พยายามดึงกลับไปเพราอย่าลืมว่าคนโบราณเนี ท, นท่านท่านท่านไม่โง่นะฮะท่านอาจจะไม่รู้วิทยาศาสตร์เราไม่จะยุควิทยาศาสตร์ในยุคของท่านแต่ถ้าพูดถึงศีลธรรมแล้วครบไม่ใช่เล่นเลยนะฮะครบไม่ใช่เล่นทรัพย์ซึ่งไม่ใช่เล่นแล้วฝากนัยยะต่างๆว่าเยอะแยะไปหมดในเรื่องแต่ละเรื่องที่ท่านทำเอาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสามกิจธรรมทุกจุดนั้นจะต้องเน้นที่สามกิจธรรมไว้ทั้งหมด ความเป็ น, น, นหนึ่งเันเดียวการประสานใจนะฮะความประสานใจของคนแต่ละฝ่ายมีการยอมรับนับถือสถานะของการแลกกันแล้วก็เสริมสร้างในลักษณะระบบาอาวุโสระบบผู้ใหญ่ซึ่งซึ่งมาชักเป็นห่วงเป็นห่วงความคิดของคนนะฮะที่ที่มาชีน้นาความคิดสังคมระดับระดับด็อกเตอร์นาวันก่อน เขาพูดถึงหัวหน้าพรรคการเมืองคนหนึ่งที่ที่ ท, ที่ที่กล่าวในะที่ประชุมแล้วก็ใช้ส ป, ปนามตัวเองเรียกเรียกตัวเองว่าไอ้เบอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยมากจริงคินะมันจะมีความเสมอกันแสดงว่าประชาธิปไตยนั้นต้องต้องใช้อย่างนั้นหรือนะเราจะเห็นว่าจะไม่มีระบบเคารพนับถือกันตามสถานะของคนหรือ หรือว่าพ่อนั่งข้างล่างลูกไปนั่งฝ่ายห้างอย่ข้างบนได้หรือยังไงมันชักจะเละนะฮะความความคิดเรื่องไปชักจะเละมันประชาธิปไตยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นระบบระเบียบกติกาของสังคมที่ยอมรับยอมรับนับถือสถานะของการใดกันยอมรับสิทธิยอมรับสถานะนะฮะยอมรับสถานะของกัารใดกันมันไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่เท่ากันหมดมันมันมันเป็นไปไม่ได้แต่งั้นแล้วใครจะอบรมสั่งสอนใครใครจะแนะนําใครใครจะตักเตือนใครกัน แสดงไป ถ, ถึงว่าเราก็สับสนในในความหมายของสิ่งที่เราที่เรากลังพูดถึงว่าถ้าสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆเนอยู่ได้เลยสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ได้อยัอยงย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่านายแพทย์คนหนึ่งที่เขียนเรื่องเรื่องโจมตีการควบคุมกรมราคะในาศาสนาด้วยศีลข้อกามเมด้วยศีลข้ออพรัมด้วยศีลดโดวยวินัยของพระเยอะแยะหมดเลย ถือว่าทําให้ปมีการอังกิตประสาทมีการเครียดมีการเก็บกดแล้วถามว่าถ้าปล่อยไม่คุมเนี่ยมันอยู่ได้หรือสังคมนี้ไม่ต้องคุมความรู้สึกเลยเนี่ยไ ม, ไม่ต้องควบคุมนึกอะไรก็ทําไปตามอะไรมันก็ไม่ใช่คนนะแล้วก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์ไปเลยเพราะว่าคนเนี่ยมันอยู่ที่ทวนกระแสะกิเลสได้สามารถจะควบคุมความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมของตัวเองได้ แม้จะมีตัวกระแทกจากข้างนอกหรือผลักดันจากข้างในนะฮะก็คุมได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่งั้นโลกมันก็เป็นกะลียุคอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่เราเร า, เราก็นึกนกนึกมันมันอะไรก็พูดออกไปนะฮะพูดออกไปว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปแนตะ่มันเป็นได้มันต้องสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยอยู่ได้หรือเล่า เพแนวสร้างสถานการณ์สมมุติอย่างที่หลวพ่อพเจ้าทรงใช้สอนเด็กที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะ mm. เด็กไล่จีงู mm. ก็สเสด็ยเข้าไปหาสอบถามว่าทำอะไร mm. เด็กบอกก็รล่จีงูถามว่าตีทําอะไร mm. เห็นไหมฮะเด็กก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันพระเจ้าก็สร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาว่าสมมุติว่าฉันตีเธอบ้างเนี่ยจะเอาไหม นั่คือสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาคนก็คิดได้นะครับคนก็คิดได้เพราะถ้าเราโดนตีอย่งงางนั้นบ้างเราก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะมันก็กลับไปสู่หลักการตั้งเดิมคือว่างูมันก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะจริงงูตัวเล็กนะฮะไม้ที่ตีงูมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวงูซะอีกเด็กเมื่อโตกว่าไม้เดียวตั้งเยอะเด็กยังไม่เอาเลยนี่คือคือคื อ, ค, อคือการมองสิ่งทั้งหลายว่าต้องคิดเป็นสถานการณ์สมมติขึ้นมาก่อน คล้ายๆการสร้างอาคาระถานที่นะฮะต้องวางแบบแปนแปนผังสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วก็ว่ากันที่หลังถึสร้างที่หลังมันไม่ใช่ว่าพูดเรื่อยเป็นเป็นเรื่องน่าห่วงมากอย่นี้คือเรื่องพูดเรื่อยเรื่องพูดเรื่อยจังเลยแล้วก็นึกว่ารับผิดชอบได้หรือผู้นาดนั้นเรื่องความรับผิดชอบต้อเป็นเรื่องสําคัญที่สุดมันไม่ใช่สนุกสนุกเพราะฉนั้นหลักการเนี่ยนะหลักการจะต้องนําไปสู่ภาคปฏิบัติหมายความทฤษฎีต้องนําไปสู่ภาคปฏิบัติ ภาคของพระเจ้าทรงทรงท ร, ร, ร, รงวางไม่รูปปริยัติปฏิบัติปฏิรีเห็นไหปริยัติเนี่ย ต, ต้องปฏิบัติได้แล้วเมื่อปฏิบัติในสิ่งที่ศึกษาและเรียนมานั้นจะต้องเป็นประโยชน์แก่เราและแก่บุคคลอื่นสร้างอะไรผลก็คือความสุขความสงบสันตินะฮะสุขสงบเย็นเนี่ยผลจะต้องออกมาน ะ, ะ้วลนั้นคือเป็นความสุข เพราะปริญญาปฏิบัติปฏิเัติมันต้องสอดคล้องกันแล้วไม่ได้หมายถึงมัธยสนาทั้งหมดหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงอะไรก็ได้ที่เราเรียนรู้ที่เราศึกษาที่เราสดับตว์ฟังนั้นนั้นคือส่วนของปริญญาคือการเรียนรู้แต่สิ่งเหล่านั้นแหละต้องปฏิบัติได้นะต้องปฏิบัติได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปนั่งไปพิปรายกันในพิษณุโลกมานั่งที่ท่าอากาศยานรอขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็มี แล้วดาสศราจารย์มาอย่างน้อยใจยูคิดได้อย่างไงบางคนอย่างงี้คุยเรื่องเรื่องน้ําท่วมกรุ ง, งเทพกันแกบอกโอ้ท่านเจ้าคุณไม่ต้องกลัวน้ําท่วมกรุ ง, งเทพนี่แก้ง่ายทำแกง่ายจัดสร้างเขื่อนได้หมดเลยนู้นตั้งปากเกร็ดไปไนไปออกที่สมุทรปราการสร้างเขื่อนกั้นได้หมดแล้วก็ตีครองทั้งหลายเนี่ยทั้งฝั่งทนทังฝั่งกรุงเทพเนี่ยมีประตูประตูระบายน้ําเปิดปิดน้ําพูดเฉลียวเดนียวนะฮะ แต่โยมนึกดูทาได้หรอามันทําไม่ได้ต้องไม่ทำไม่ได้ไม่มีเงินเงินเวรคืนที่บ้านราชเรดี่ปลูกลำของฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยามันก็ตายแล้วนะเงินสองสองนี่สองสองสายตรงนี้เอาไม่ได้แล้วมันเดินขบวนแม้แต่ไรบ้านครัวแห่งเดียวยังทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เราจะเห็นว่ามันมันเป็นเป็นจินตนาการเนี่ยมันเพ้อฝันเพ้อฝันไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของปฏิบัติได้ แต่พระพุทธเจ้าสังสอนสอนเรื่องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ได้ไดประโยชน์นะฮะได้อะไรก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แก่คนกลุ่มทั้งทุกกลุ่มเลยต้องได้ประโยชน์เพราะงั้นเราเราจะเห็นว่าอัถายาหิตายาสุขายะเห็นว่าเป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลำหนดความสุขให้นั่นคือสุขวันยันที่ที่ที่ทีทจารีตของสกุลนี่นะอย่าลืมว่าเป็นสายใหญ่ของสกุล ถ้าลูกหลานไม่ยอมปฏิบัติลูกหลานก็ถูกออกไปจากสกุลตรงนั้นไม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหลายปุญญาตายายก็ทํามาพี่น้องกลุ่มหนึ่งก็ทํากลุ่มนี้ก็ไม่ทําในสุดมันก็ห่างออกไปสายสัมพันธ์ทางสกุลกันพระจงทรงใช้คำว่าอนุญาตหมายความว่าสายสัมพันธ์ของสกุลที่ปุญญาตายายท่านสร้างมารักษาไว้เราอาจจะไม่มองเห็นประโยชน์ตรงนั้นแต่มันมองเห็นในจุดอื่น ที่สามารถจะเชื่อมโยงจิตใจของบุคคลได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยเพียงแต่ว่าสืบสารเนื่องากอาศัยความเชื่อนะอาศัยความเชื่ออย่างนี้เคยเคยยก ต, ตัวอย่างให้ฟังว่าการเชื่อเรื่องเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันไม่มีขาดทุนเนี่ยนะมันมีขาดทุนเพราะจริงๆสวรรค์นั้นเป็นบําเหน็จของความดีนรกนั้นเป็นผลของความชั่ว มรรกสวรรค์มีไม่มีก็ตามแหละแต่ถ้าเราทำความดีละความชั่วไว้เราก็อยู่ดีมีสุขได้ในปัจจุบันพอรรสวรรค์มีขึ้นมาเราก็บังเกิดในสวรรค์ได้อีกมันมีผลทั้งสองชาติเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เราไม่มีปัญญาพอจะวินิจฉัยเราก็อาศัยศรัทธาแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเอาแล้วก็จบท่านั้นเด็กิณิยานอีกประการหนึ่งเนี่ยเป็นยันที่หมายความว่าเป็นการ มองคือการสงเคราะห์กันบูชานะฮะก็แล้วแต่ล ะ, ระเราเห็นว่าแนวทานตรงนี้แนวทานการให้อย่าลืมผู้เจ้าผู้กับพราหม์ชาวบ้านนะฮะผููกับพราหมชาวบ้านเพราะงั้นสิ่งที่นํา ม, มาพูดจึงไม่พูดเรื่องสูงพูดเรื่องยันยัน ย, นยนแบบชาวบ้านก็จะทําได้เนี่ยแต่เ ป, เป็นเป็นธรรมะของสังคม หมายความลักษณะของการโอ้อวดมารีเ อ, อือเพื่อเผื่อแฝ่สงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งการแต่กันเนี่ยนะเรื่อยเกิดไปจนถึงกันเกื้อกูลกับท่านที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบในส่วนของบุญนั้นมันเป็นบุญอ่แต่พูดกับชาวบ้านถึงท่านเพิ่งมาเข้าวัดเนี่ยนะมันพูดไม่ได้ขนาดนั้ น, นพูดในแง่ของสังคมนะพูดในแง่ของสังคมสังคมที่อยู่ร่วมกัน เรามีอัตยาศัยเหมือนจีต่อกันโอบโอ้อมารีเอื้อเฟื่อแผ่ต่อกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะมีภาระมีกิจการงานต่างๆอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเหล่านั้นให้แก่กันอะไรกันมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ทางใจคนเรารู้สึกรับผิดชอบร่วมกันนะในในอะไรก็ตามสิ่งดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นไปในสังคมความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จริงสังคมเราเปลี่ยนแปลง มายัางนึกถึงพาสสมัยที่ตัวเองเป็นเนนนะฮะเป็นเป็นเนนสมัยนั้นเก้าสองเก้าสามนะฮะมันมั น, ม, นมันไปชวนญาติโยมน่ะชวนญาติโยมันขนทรายมาถมวัดมามาเป็นเนนเล็กๆกั 10, 7, 10, นสิบเจ็ดสิบแปดพอดีคนคนแถวนั้นโผล่มาเป็นลูกศิษย์พ่อนะฮะลูกศิษย์พ่อคน ก, คนก็คนก็รักใครเมตตา กาเชิญชวนจากชวนญาติโยมืกอเตี๊ยมอาหารไปเองปล่อยเรือเล็กเรือน้อยป้ายกันเป็นกระบวนการีคลองตีโหมกันไปแต่เสร็จแล้วขนซายกระแขบมาถึงก็ตีกลองฮรับตีกลองคนมาพวกไปขนมาจากคลองข้างข้างเหนือก็มาแล้วพวกที่ขนจากเรือขึ้นขึ้นวัดไปก็มาเพิบเดียวหมดเลยมันนําไปสู่อะไรคนรู้สึกว่าเป็นวัดของเขา คนควังเทศนี่ล้นวัดเนี่ยนะคล้นโบสถ์ไม่ใช่ล้นวัดล้นโบสถ์อ่ะล้นโบสถ์พระขนาดสามสี่สิบนี่ต้องประเคนทั้งสองเที่ยวไม่ต้องฉันกันหรอกประเคนแล้วก็เปิดตักๆนี่ๆนี่ๆแล้วก็ใส่กาแล้วก็ปิดปิดแล้วก็ย้ายกลับไปอีกชุดนึ่ง้าพเหล่นี้ไปนี้หายไปเลยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่รู้สึกรับผิดชอบรพื่อนกันคนเข้าวัดนี่ต้องจ้างหมดอนไรจ้างหมด แม้แต่ว่าจะช่วยทางญาอะไรต่างก็จ้างแล้วคิดเป็นเงินหมดฮนะเรลงว่าวัดกับบ้านเนี่ยติดต่อกันในลักษณะคล้ายๆกับซื้อของในร้านปัญหามันก็ตามมาว่าความผูกพันทางใจเนี่ยมันหายไปความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นวัดวัดของเราเนี่ยฮะคือความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกเป็นของเราคือเป็นพวกเราเพราะสังคมอย่าลืมว่าสังคมนั้นเป็นเรื่องของโลกสมมติจะต้องรู้สึกของเรา แต่ไม่ไปยึดมั่นถึงมันเกินไปจนถึงก็ไปเบียดไปเบียดเบียนเขาแต่รูปของเคารพสิทธินะฮะรูปของสิทธิรูปก็น่าชีเพราะเราอยู่ระดับศีลธรรมยัญญาเราไม่รู้ระดับนิพพานแต่เราไม่ไม่ได้อยู่ระดับกาลียุกเือนกันอยู่ระดับศีลธรรมยัญญามันไม่ถึงกับไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแต่การที่ท่านรู้สึกอย่างนั้น ก็ทำทำให้ท่านเกิดไม่ตายกูนาต่อคนได้ยังรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเพราะฉะั้นแนวตรงนี้คือแนวโอปปามารีเออร์เพื่อแปบแฝดเราจะเห็นว่ามีเรามีเขามันก็กลายเป็นพวกเราพวกเขากลายเป็นเรากับพวกเราคะกลายเป็นเรากับพวกเขาแทนที่จะเป็นพวกเรากับพวกเขามันกลายเป็นเรากับพวกเรานะกลายเป็นเรากับพวกเรา ซึ่งตรงนี้ยังชมตรงนี้อยู่นะฮะว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาเอาพูดแทนต่างพรรคเข้ามารัฐการทหารเอาผู้หัวหน้าพรรคไปไปออกปรทัดร่วมกันอะไรแต่ไปไปเขาจีนะฮะมันจะรู้สึกว่าแต่ละคนที่จริงเขาเป็นเพื่อนกันก็ลงเสนอตัวเองให้ประชาชนเลือกเราไม่ได้ต่อสู้เราเราไม่ใช่นั่นเราเป็นคนเสนอตัวเองให้คนเขาเลือกเท่านั้นเองไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปด่าอะไรกัน คนแพ้ก็แพ้คนชนะก็ชนะเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้อย่างที่ฝรั่งก็ใชอ้อย่างเนี้ยฝรั่งเศสใกล้ๆนะฮะฝรั่งเศสใกล้ๆพอคะแนนนับไปไม่ถึงครึ่งเนี่ยประธานาธิบดีเก่าแสดงความยินดีแล้วแสดงความยินดีกับคนที่มีเข้าวจะได้นะฮะตั้งทั้งที่คะแนนเด็ดขาดยังไม่ประกาศสร้างจิตสํานึกใหม่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นนิมิตใหม่เป็นนิมิตใหม่นนมหมที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก แล้วถ้าหากว่าคนเหล่านั้นพัฒนาจิตใจตัวเองเข้าไปสู่จุดตรงนี้ได้จริงๆนะฮะมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมาวิ่งแข่งกันเฉยๆใครชนะก็ไปนะฮะเราก็มูทิตากับเขาแล้วเราก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะเพราะว่าเมื่อลงอย่างนี้มันมั น, มนอะไรแต่ค น, คนตั้งสองพันกว่าคนนะเกือสามพันคนนะฮะก็เอาสามร้อยาสบดคนก็แน่นอนนะฮะมันก็ตกเยอะเลยตกไปเกือบสามพันน ะ, ะ่ยนะตกไปเกือบสองพันไปเลย นี่ก็คือก็คือเป็นสิ่งที่สร้างจิตสํานึกให้คนไม่เกิดความเป็นเราเป็นเขารุนแรงเกินไปแต่รู้สึกว่าแต่ละคนนั้นอาสามารับใช้าชาติบ้านเมืองแต่ว่าอาสามามั่งหรือเกินตําแหน่งไม่มีแค่เนี้ยนะฮะเพราะ ง, งั้นก็ขอราฐดรนชั้นเลือกแล้วกันเลือกใครก็ได้นะก็ยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยของประชาชนนะฮะ บางก็เลือกโดยประชาชนเพื่อให้มาทํางานเพื่อประชาชนทำโครงสร้างอบราฮหมนิโคดเดน่าวาเอาไว้เพื่าเป็นนิมิตใหม่นะนิมิตใหม่ที่ที่ดีเฉพาะประเด็นี้เราเห็นว่าดีแต่ว่าเลือกเลือกตั้งเสร็จจะทะเลาะกันต่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเฉพาะตรงนี้รูปของสื่อสารมวลชนที่เขาจัดเขาจัดขัติจะเอามาคนละฝักคนละฝมาทางวิทยุทางโทรทัศน์จะเอามาแนวนะั้นนั่นก็คือหมายความว่าที่จริงเขเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนถ่ายเดียวกัน แล้วก็คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเป็นผ่านสามารถมาช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยเหลือแต่เขาอย่างเห็นว่าคุณคุณคุณรอไว้ก่อนมาตรการใดคนอื่นก็ทําก่อนเราก็ไปทําตรงอื่นไปทําตรงอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะจริงๆทุกคนก็สามารถทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้อยู่แล้วและในหนึ่งที่ส่งสอนในรูปของของอะไรคือทำบุญุญชิดนะฮะทำบุญุญชิดสมัยก่อนเรียกว่าศาสตร์คือสารทะ เดืนศาสตร์และดูศาสตร์ทั้งหลายนะฮะพวกศาสตร์เนี่ยครมันก็มีมาตั้งแต่โบราณหมายความว่ามองไปที่ตัวบรญพยชนมองไปที่ตัวบรรพยชนชี้ว่าแต่ละคนนั้นก็มีบรญพยชนมีบุญญาตายหญ่ทั้งนั้นท่านตายไปแล้วลูกหลานก็มีการนัดหมายกันมาทําบุญอุทิศกุศลให้แก่บรญพยชนนะเราเห็นว่าแนวของเราทํามากลายเป็นวันศาสตร์วันที่เราเห็นได้ชัด ก, ก็คือการได้ทําบุญเป็นทักษิณาโนปาทาน เป็นการเพิ่มส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ชีวส่ชนไปแล้วเราเองล่ะเราเองก็ทำความดีนะ่าติพี่ญาติสงงแสดงไว้ในคาถาโมทนานะฮะที่ที่พระใช้ในการโมทนาเวลามีงานศพเนึ่งเป็นการแสดงญาติธรรมคือธรรมะที่ญาติจะต้องกระทำต่อยาติของตน ญาติฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่าย ม, มีชีวิตอยู่ก็มีความมีน้ําใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก, ก็มาดีกันสงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะแบ่งเบาจนถึง้็ที่สอนว่าจงให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้หรือให้หรือไม่ให้เนี่ยเรามันญาติมันต้องสงเคราะห์เดี๋ยวตัดไม่ตายขายไม่ขาดช่วยดีทีห่างยังไงมันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไง ม, ม, นะมันเกิดมาแล้ว่นะมันเกิดมาแล้วยังอย่างนี้เราจะเห็นว่าใจมันต้องมองสากล น, นะอย่าง อย่างวันก่อนที่เขามองพระที่ข่าวในเชียงใหม่นะมีโวยวายกันเอามาอมาก็บอกว่าคุณโวยจะเอาไปไหนเล่าก็แนะนำให้ท่านสืกออกไปท่านก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละมันจะเอามาฆ่าทิ้งได้ที่ไหนลราคนน่ะเออพูดโวยวายไปคล้ายๆกับอะไรอ่ะมันเอาไปไหนเล่าก็พี่น้องเราทางนั้นก็อยู่เมืองไทยเนี่ยช่วดีทีห่างยังไงก็อยู่กันอย่างนี้แหละมันก็ค่อยๆค่อยๆแก้การค่อยๆทากันไป ไม่ใช่เอามายิงป่งโป่งโ ป, ง ป, งปงมันไม่มีหรอกนะมันทําไม่ได้หรอกแล้วก็มาพูดมาจามันชี้แจงมาสอบถามามาอะไรต่อะไรกันไอ้เจ้ว่าตัดสินบอกดังสือพิมพ์ลงแล้วคุณตัดสินตามดัือพิมอย่างนี้ก็ยุ่งกันหมดเลยนี้ก็คือก็คือมองจิตใจมันต้องสาบกลงว่ามองจริงๆแล้วมันไม่ทําไม่ได้หรอกอย่างนั้นะที่ว่าเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นพอพกฝา่ายหนึ่งตายไปเนี่ยอีกฝา่ายหนึ่งก็ทําบุญบูรพกุศลส่งไปให้ เป็นได้เป็นการบูชาต่อท่านบูชาความดีของท่านบูชาต่อปฏิปธ์ของท่านที่ที่ที่สัมพันอย่างยิ่งก็คือประสานใจของลูกหลานเนี่ยฮะตาบใดที่ยังมาทําบุญร่วมกันได้เนี่ยนะฮะมาทำบุญร่วมกันได้มานั่งกรวดน้ําร่วมขันตัดบาดร่วมขันมากรวดน้ําร่วมพัฒนะกันได้เนี่ยเราแสดงว่าพระกรูปนั้นก็จะอยู่กันได้นะฮะเป็นสืบสานกันไปเรื่อย que. ภาพตรงนี้อย่างดีที่เคยลาวความมีลูกศิษย์วัดรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้มันเป็นเป็นทวดแล้วอายุแปดสิบกว่าแล้วรุ่นพวกหมอฝนแสงจิงแก้วเป็นลูกศิษย์วัดวรวน่ะนะเวียนนี้มาถึงเหลนมช่ไหมเขาจะมาประชุมกันในวันมหณนภาพของจักรุฬราชจกวีอาบเป็นอดีตพระธิระวัดวโบราณมากเลยนะมาถึงรุ่นรุ่นรุ่นรุ่นกศิษย์รุ่นลูกศิษย์รุ่นหลานศิษย์รุ่นเหลนศิษย์ เป็นที่เลนสิตมันยังปลูกพันธ์เชื่อมโยงกับจํานวนมหาศาลโดยอาศัยจุดยึดเหนี่ยวคือหลวงปู่หลวงปู่หลวงพวุทธนะฮะและพวกเด็กเหล่านี้ก็ไม่เห็นนะไม่มเคยเห็นนะะนั่นคือสัมพันธ์ทางใจว่าคนเหล่านี้ต่างคนต่างมาอยู่ในหน้าที่การงานกันนะมีตําแหน่งหน้าที่แตกต่างกันว่าช่วยเหลื อ, อกึศกูลกันนั่นคือญาติในทางสายของธรรมะอาศัยความสนิทสนมสนมปลูกพันุ์คุ้นเคยกันและจุดรวมก็จริงจริงก็คือรวมในวันในวันของหลวงปู่คนนี้ มาแล้วเขสนุกสนุกอยู่ที่หน้าโบสถ์นะฮะวันของเขาแล้วเรียกปล่อยแก่กันเป็มที่ลั่นเลยคนเท่าคนแก่ก็สนุกสนานกันแปดสิบป่าแล้วสนใหญ่นะจะแปดสิป่าแล้วก็ตายไปเยอะแล้วฮะรู้สึกง่วงแง่ ง, างมาไม่ ก, กี่คนแล้วแต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเราได้จากการประลบถึงคนที่เราเคารพนับถือด้วยกันแล้วก็มาทําบุญกุศลด้วยกันปีหนึ่งก็พบกันครั้งหนึ่งเด็กมันก็เพิ่งมาเรื่อย เอามารู้จักกันทุกรุ่นทุกรุ่นไว้ผูกพันกันไว้นั้นคือแนวที่พระเจ้าทรงสนยันธรรมดาธรรมดานะยันธรรมดาธรรมดาเป็นรูปของประเพณีเราเห็นว่าไอ้นั่นก็ประเพณีนะฮะยันยันนั้นที่จริงก็คือคือประเพณีแต่มันทํากันเฉพาะในคนใหญ่ใหญ่คนพระราชาพวกพระพวกเศรษฐีจึงทําได้เพราะลงทุนเยอะลงทุนเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันสังคมมันก็มียันประเภทนี้อยู่ นี่ก็หนบรมเนียนเป็นจารีตของสกุลนะมีการสงเคราะห์นุเคราะห์ปลุกพันธ์น้ำใจของการอะไรกันของของคนที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ครอบครัวไปสังคมแล้วตลอดถึงการประรบถึงคนตายคนตายก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แนวตรงเนี้ทรงยกย่องสรรเสริญว่ามันเป็นการให้กำลังแก่ผู้ผู้รับผ่านในกณะเดียกันก็เป็นการเพิ่มบุญให้แก่ตน บุญนั้นก็กลายเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่พํานักเป็นที่อาศัยแล้วก็ติดตามเราไปที่ทรงอุปมาว่าติดตามเราไปเมื่อเงาที่ติดตามไปและเป็นที่พึ่งอย่างที่ทรงแสดงว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญแต่ในโลกนี้และในโลกเกินเพราะงั้นแนวตรงนี้จะิ้งเป็นแนวยันแนวจารีดแนวขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบถ้าไม่ดีก็ปรับเสียใหม่ะถ้าดีก็สืบสานรักษาไว้ แล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตเป็นประเพณีที่เชื่อม ท, ที่จะเชื่อมโยงจิตใ จ, จของคนให้ปูกพันธุ์เป็นนั่นเองเงีนเดียวกันโดยเวล่วนี้เขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากนะฮะเรื่องเรื่องสื่อสารด้ววัฒนธรรมเนี่ยแต่เราอย่าลืมพระเจ้าก็เคยเคยดึงมาให้เอามาใช้มันใช้ใได้เพื่อสื่อสารนั่งกรมเอาไว้ วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านคือ